บทที่22ด้วยจิต ท, ที่เปี่ยมด้วยเมตตาบวกกับความเป็นกาลยานมิตรพระครูเจริญจึงพูดกับพระเจริญหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาบนรถแล้วว่าท่านบรรยายไม่ตรงกับพระไตรปิฎกหลายเรื่องไม่ทราบว่าท่านเอาข้อมูลมาจากไหนครับหากเป็นคนอื่น ที่ไม่ใช่พระครูพระเจริญจะต้องคิดว่าท่านกำลังถูกปรามาย์แต่เพราะผู้พูดเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยวิชาและจารณะพระเจริญจึงไม่คิดเช่นนั้นและที่สำคัญคือท่านอยากได้ความรู้จักเพื่อนพระมจารย์รูปนี้เพราะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการเป็นมักคุเทศของท่าน พระภิกษุที่มาอยู่ประเทศนี้มักถูกเพื่อนภิกษุด้วยการดูหมินด้วยวะลีว่าหิวย่ามตามทัวซึ่งในความหมายก็คือเป็นพระหากินและบางรูปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงจึงบรรยายผิดผิดถูกถูกทำให้ผู้ฟังไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องนับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้มาพบนักปราดราชบัณฑิตจึงต้องกอบโกยความรู้ให้มากที่สุด คิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าผมก็จำจำมาจากหนังสือบ้างจากพระมกุเทศบรรยายบ้างครับหลวงพอ่อท่านไม่ได้อ่านพระไตรปิฎ ก, กหรือไม่ได้อ่านครับเพราะผมไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องมาเป็นพระมกุเทศแต่เมื่อท่านเป็นแล้วท่านต้องอ่านพระไตรปิฎกจะได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง ญาติโยมที่มาแสวงบุญบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็นาไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อไปถ้าท่านให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องคนฟังก็จะนาไปถ่ายทอดอย่างผิดผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะพากันเข้าใจพระาศาสนาอย่างผิดผิดต่อไปอีกซึ่งนับเป็นเรื่องอันตรายมากไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยกับที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเห็นด้วยครับหลวงพ่อ นี่ก็แสดงว่าพระที่บรรยายท่านก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกและหนังสือที่มีคนเขียนขึ้นมาก็คงไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฎกหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าก็คนเขียนเขียนส่วนมากก็เป็นโยมที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเมื่อมาอินเดีย เขาฟังพระมะกุเทศบรรยายก็นำไปเขียนเป็นหนังสือเมื่อพระบรรยายผิดเขาก็เลยเขียนออกมาผิดๆ ผ, ผมจึงขอสรุปว่าญาติโยมอย่าไว้ใจพระและพระก็อย่าไว้ใจญาติโยมนี่ผมไม่ได้ยุยงให้พระและญาติโยมระแวงสงสัยซึ่งกันและกันนะเพียงแต่จะบอกว่าในเรื่องของพระาศาสนาทั้งพระและญาติโยม จะต้องไว้ใจพระไตรปิฎกเท่านั้นแล้วอธิกถาไว้ใจได้ไหมครับพระมะกุเทศถามถ้าตรงกับพระไตรปิฎกก็ไว้ใจได้แต่ว่าถ้าขัดแย้งกับพระไตรปิฎกผมว่าเราต้องเชื่อพระไตรปิฎกเพราะเป็นหลักฐานปฐมภูมิส่วนอนธิคถาเป็นหลักฐานทุติยภูมิหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบ นอกจากหลักฐานจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นว่าจำเป็นมากคือต้องเจริญพระกรรมฐานเพราะทำให้เกิดปัญญาถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกและเจริญพระกรรมฐานผมว่าท่านจะเป็นมคุทศ์เทที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมได้ท่านให้กำลังใจพระมะคุท์เท ละครับถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องเข้ากรรมฐานสักเจ็วันจะได้เป็นมคคุเทศที่มีคุณภาพแต่เมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพ่อบอกว่าผมบรรยายไม่ถูกต้องนั้นผมจะขอความการุณาหลวงพ่อช่วยบรรยายแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเพื่อประโยชน์ของญาติโยมและผมก็จะได้ประโยชน์ด้วยต่อไปผมจะได้ไม่บรรยายผิดๆอีกถ้าอย่างนั้น ท่านต้องตกลงกับคณะเข้าให้เรียบร้อยประเดี๋ยวจะ ก, กลายเป็นว่าผมก้าวกายท่านต้องการจะลองใจภิกษุหนุ่มว่าจะยอมรับความบกพร่องผิดพลาดของตนหรือไม่ความที่อยากได้ความรู้จักท่านพระครูพระเจริญจึงหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและประกาศแก่คณะผู้สแสวงบุญว่าขออภัยพระคุณเจ้าและญาติโยมทุกท่านในฐานามะมัคุเทศ อาตมาต้องขออาภัยในความผิดพลาดที่ให้ข้อมูลการบรรยายไม่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกและในโอกาสนี้อาตมาขอากราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายในส่วนที่อาตมาบรรยายไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกด้วยขอกราบอาราธนากรับ ท่านไหว้แล้วก็ส่งไมโครโฟนให้กับท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอรัมพบทว่าท่านคณะผู้สแสวงบุญทั้งบรรพชิตและเครืหัดผู้เลื่อมใสในพระศาสนาพวกเราได้ชื่อว่าลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาดตกบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างเรื่องที่ พระมกุเทตบรรยายไปเมื่อสักครู่อาตมาเห็นว่ามีหลายจุดที่ไม่ตรงตามพระไตรปิฎกอาตมาจึงติงท่านและท่านก็ใจกว้างยอมรับความผิดพลาดซึ่งอาตมาขอชมเชยจากใจจริงและได้แนะนำท่านว่าท่านจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกมาบรรยายไม่ใช่จำมาจากบุคคลอื่นหรืออ่านหนังสือที่ผู้เขียน ไม่มีความรู้ทางศาสนาและเราก็จะรู้ว่าบุคคล น, นั้นมีความรู้หรือไม่ถ้าพิจารณาข้อมูลที่เขานำมาเขียนว่านำมาจากพระไตรปิฎกหรือเปล่าถ้าไม่มีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเลยก็อย่าเพิ่งเชื่อสุภาพบุรุษคนหนึ่งยกมือแล้วเรียนถามว่า แลถ้ามีคนมาทักท้วงเราว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่บันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรพูดให้สั้นกว่านั้นคือถ้าเขาไม่เชื่อพระไตรปิฎกเราจะทำอย่างไรครับถ้าเขาไม่เชื่อพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ใช่ชาวพูดคนประเภทนี้จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นผิดไปจากความจริง เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรต้องปล่อยเขาไปคงยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงเราช่วยอะไรเข้าไม่ได้อย่าว่าแต่เราเลยแม้พระพุทธองค์ก็ยังไม่สอนคนประเภทนี้พระองค์ทรงสอนเฉพาะเวนัยบุคคลคือบุคคลที่พึงสั่งสอนได้ส่วนเวนัยบุคคล พระองค์ทรงปล่อยไปตามกรรมของเขาในพุทธคุณ9ข้อที่หที่ว่าอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิแปลว่าทรงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าหมายความว่าทรงฝึกเฉพาะผู้ที่สมควรฝึกได้คือเวนัยบุคคลไม่ได้ฝึก เอาเวไนยบุคคลด้วยเพราะคนประเภทหลังฝึกไม่ได้พระพุทธองค์ทรงฝึกแต่บุรุษหรอคะทำไมพระองค์ไม่ทรงฝึกสตรีด้วยนางสาวสายใหญ่รักทวงหล่อนไม่กล้าคิดว่าพระพุทธองค์ทรงลำเอียงเพราะผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปราศจากความลำเอียงหรืออคติใดๆ พระองค์ทั้งสอนทั้งบุรุษและสตรีตามคำสอนในพระพุทธศาสนาบุรุษและสตรีมีศักยภาพในการบรรลุธรรมเท่าเทียมกันดังจะเห็นได้จากที่ทรงมีพุทธานุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีได้ส่วนศาสนาอื่นๆในสมัยนั้นไม่อนุญาตให้สตรีบวชเพราะถือว่าสตรีไม่สามารถบรรลุได้อย่างเช่น ศาสนาเชนหรือไชนะสอนว่าหากสตรีต้องการบรรลุธรรมจะต้องอธิษฐานจิตว่าชาตนาขอให้เกิดเป็นบุรุษเพศคือจะต้องรอไปถึงชาตนาแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องรอถึงชาตนาก็ได้หรืออย่างในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็จะมีคาสอนเรื่องอาสมศี หมายถึงช่วงหรือระยะเวลาของชีวิตนอกจากนี้คำว่าอาสมยังหมายถึงที่สาหรับอยู่อาศัยของนักบวชซึ่งนักบวชในที่นี้ก็หมายเฉพาะบุรุษเพศศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นาศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เป็นาศาสนาที่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธาศาสน า, สาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแบ่งออกเป็นสามยุค คือยุคพระเวทกินเวลา900ปีคือประมาณ 1,100 ปีก่อนพุทธกาลยุคพราหมณ์กินเวลา800ปีคือประมาณร้อปีก่อนพุทธกาลถึงพุทธศักราช700และยุคฮินดูตั้งแต่พุทธศักราช700เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในยุคพราหมณ์ึ่งเป็นยุคที่สองนั้น การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของบุคคลในวั น, นะสูงทั้งสาคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์จะต้องดำรงชีวิตตามหลักอาสมสี่อาสมที่หนึ่งเรียกว่าพรหมจันทร์หมายถึงช่วงชีวิตที่ใช้การศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาสแสวงหาทรัพสมบัติทางโลกเป็นระยะที่ต้องศึกษาเล่าเรียนสาระของพระเวทยันพิธี และวิชาอื่นๆอยู่กับครูเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีในช่วงเวลาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและคำสั่งของครูอย่างเคร่งครัดบุคคลที่อยู่ในอาสมนี้เรียกว่าพรหมจารีอย่างอาหิงส ก, กะอยู่กับครูต้องฟังครูทุกอย่างครูใช้ให้ไปฆ่าคนก็ต้องทำ ข้าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้จะได้รู้ว่าข่ามากี่คนแล้วเพราะครูให้ข่าตั้งพันคนอ้ยิงสกะสวมพวงมาลัยทำด้วยนิ้วมือคนก็เลยเรียกท่านว่าองค์คุลิปมานถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรโดท่านจะต้องชดใช้กรรมในเมืองนรกนานมากแต่เพราะท่านมาบวชในพระพุทธศาสนา แล้วก็ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผลเป็นพระอาหารหันจึงไม่ต้องไปตกนรกแบบนี้ถ้าใครฆ่าคนตายแล้วไม่ตกนรกก็ต้องไปบวชอย่างองค์พระคุลิมานใช่ไหมจ้าหลวงพ่อแม่ชีปวนถามขึ้นอาตมาขอตอบว่าใช่และไม่ใช่ท่านเริ่มยวนแม่ชีวัยห0สิหลวงพ่ อ, อยายยวนอีชั้นสิ ที่ฉันอยากได้ความรู้ดูหน้าตาหลวงพ่อเป็นคนไทยไม่เห็นจะเหมือนยวนเลยสักนิดท่านพระครูถูกแม่ชีโต้กลับแบบยวนๆอาตมาไม่ได้ยวนคนไทยจะไปเป็นคนยวนได้อย่างไรเล่าที่อาตมาตอบว่าใช่และไม่ใช่ไม้ความว่าถ้าคนทำบาปไวมากแล้วมาบวช และปฏิบัติจนบรรลุอรหัตผลก็จะไม่ต้องตกนรกแต่ถ้าเขาฆ่าแม่หรือว่าฆ่าพ่อหรือฆ่าพระอรหันต์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือทั้งสามอย่างเขาก็จะไม่สามารถปฏิบัติจนบรรลุอรหัตผลได้เพราะกรรมถิฏฐามเป็นครุกก ร, รมแปลว่ากรรมหนักมีห้าอย่าง คือมาตุคาตปิตุคาตอรหันตคาตโลหิตตุบาทและสังคเพทกรรมห่าอย่างเนี่ยผู้ใดทำเข่าแม้อย่างเดียวก็ถือว่าตัดสวรรค์และมรรคผลนิพพานต้องตกนรกเท่านั้นเหมือนพระเทวทัตใช่ไหมจ๊ะเหมือนตรงไหนล่ะท่านยังไม่วายยวน ก็พระเทวทัตท่านทำกรรมหนักตั้งสองอย่างก็เลยถูกธรณีสู่ไปลงนรกอเวจีแม่ชีอธิบายขยายความอ๋ออย่างนั้นหรอหรือแล้วกรรมหนักสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างท่านถามยิ้มยิ้มฉันจะไปรู้เหรอก่อฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหน้นาะท่านทำโลหิตตุบบาท กับสังฆเพศครับโยมเสง็งตอบเขารู้สึกเช่มชื่นปลอดโปร่งในหัวใจนับตั้งแต่วันแรกที่มานอกจากเขาจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มีท่านพระครูที่รู้สึกว่าท่านรู้ว่าโยมเสง็งรู้สึกอย่างนี้และท่านก็พอจะรู้ว่าความรู้สึกดังกล่าวเป็นอาการของคนที่ได้พบของดีในชีวิต เป็นของดีที่เงินทองร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้ถูกแล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลันหลังจากพุทธกาลประมาณร้อยปีก็มีคนทำคารุกรรมอีกคือพระหมหาเทวะชาวเมืองมัทุรามีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้ากาลาโศ แห่งนครปาตาลีบุตรพระมหาเทวะทำกรรมหนักกว่าพระเทวทัตเสียอีกคือทำคารุกรรมหนักจียางเรียงตามลำดับก่อนหลังของกรรมก็คือปิตุคาตอารหันตาคาตมาตุคาตและสังฆเภทไม่ได้ทำอย่างเดียวคือโลหิตตุบาทเพราะเป็นสมัยหลังพุทธกาล หากเป็นสมัยพุทธกาลอาจทำครบห้ายางก็ได้นิมนต์หลวงพ่ออธิบายอาสมสี่ต่อด้วยครับเพิ่งได้อาสมเดียวพระเจริญนิมนต์ท่านอยากได้ความรู้ท่านอยู่ในแดนพุทธภูมิอันเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแต่หารู้ภูมิหลังของดินแดนแห่งนี้ไม่ท่านพระครูจึงอธิบายต่อดังนี้ อาสมที่สองเรียกคฤหัตคือช่วงสแสวงหาความสุขทางโลกมีครอบครัวบุตรทีดาสแสวงหาทรัพสมบัติประกอบยันพิธีและรับผิดชอบต่อชุมชนบุคคลที่อยู่ในช่วงนี้เรียกว่าคฤหัตหมายถึงผู้ครองเรือนอาสมที่สามเรียกว่าวานปรัช คือช่วงที่จะต้องปฏิบัติธรรมหรือทำตนให้ไปผู่สมบูรณ์เรยคุณธรรมโดยการออกไปอยู่อาสมในป่าบำเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัดบุคคลที่อยู่ในอาสมนี้เรียกว่าวานปรัฐอาสมที่สี่ซึ่งเป็นอาสมสุดท้ายเรียกว่าสัญยาสะ คือการปฏิบัติเพื่อบรุโมกะสะอันเป็นจุดหมายสุดท้ายของฮินดูเป็นช่วงที่สละสมบัติทุกอย่างเหลือแต่พานุ่มกับภาชนะสำหรับพิขาจา์และหม้อน้ำออกจากอาสมเที่ยวจาริเกรร่อนพิขาจานเรื่อยไปไม่ส่องเสพสังคมพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมปฏิกูลและคนได้ทุกของร่างกาย ให้จิตใจสงบระงับคลั้นสลีละแตกดับสลายเป็นวัตถุธาตุอาตามันก่อคืนสู่พรห ม, มันบุคคลที่อยู่ในอาสมนี้เรียกว่าสัน ญ, ญาสีอาสมสีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตตะกามะธรรมะและโมคษสะ แต่ละช่วงกินเวลา25ปีคืออาสมพรหมจันทร์หรืออัฏฐะตั้งแต่เกิดจนอายุ25อาสมสัญญาสะหรือโมกกสะก็ตั้งแต่อายุ76ถึง100ดังนี้เป็นต้นอาสมที่สา ม, มีอายุ51ไปจนถึง75ใช่ไหมคะนางสาวสายใหญ่รักเรียนถามถูกแล้ว อาสมติ่สามมีชื่อว่าอะไรหนูจำได้ไหมท่านถามสาวน้อยที่ได้คะแนนรองลงมาจากโยมเสงคะแนนในด้านจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสและแม้จะไม่ได้พบของดีในการมาครั้งนี้เธอก็จะได้พบในอนาคตอันใกล้ที่แปลาจากภาษาอังกฤษว่า nearly future ชื่อวานป ร, รัช หรือธรรมะครับชายหนุ่มที่หมายปองหล่อนแบบปรบมือข้างเดียวตอบพรางส่งสายตาหวานเยิม้มไปทางหล่อนแต่อนิจจาสาวน้อยมิทันได้สังเกตจึงไม่เห็นหนูศรัทธาเรื่องอสมของคนฮินดูค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ชายไทยตามอย่างจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัว หลอนนึกไปถึงเพื่อนสาวที่ต้องการมาแสวงบุญด้วยแต่เพราะเกิดปัญหาครอบครัวจึงมาไม่ได้หนูมีเหตุผลอะไรถึงคิดเช่นนั้นท่านพระครูถามถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเล่านะคะคือก่อนที่จะมาที่นี่เพื่อนของหนูที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเขาตั้งใจจะมาด้วยพอดีก็เกิดปัญหา มาไม่ได้เพราะต้องดูแลคุณแม่ซึ่งยังทำใจไม่ได้เขาจึงให้คุณแม่ของเขาโทรศัพท์มาขอโทษหนูคุณแม่เล่าเหตุผลที่ทำให้เพื่อนหนูมาไม่ได้หนูฟังแล้วก็เห็นใจท่านมากค่ะท่านเล่าตอนหนึ่งว่าหนูแม่หนาอายุห้าสิบแล้วมีลูกโตเป็นสาวแล้วแต่หนูเชื่อไหม แม่มีแม่เลี้ยงอายุ25ห้าแล้วก็มีน้องเลี้ยงอายุห้าเดือนหนูตกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรคุณแม่ก็เล่าว่าคุณตาคือพ่อของคุณแม่ไปติดนักร้องอยู่ๆนักร้องก็อุ้มท้องมาหาบอกว่าลูกในท้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณตาคุณตาอายุเท่าไรครับชายหนุ่มถือโอกาสถาม เจ็ดสิบเศษค่ะถ้าท่านเป็นฮินดูก็อยู่ในอสมวานปรัฐหรือธรรมะต้องไปอยู่อาสมในป่าบำเพ็ญตบะแต่ผู้ชายไทยกลับมีลูกอายุห้าเดือนมีเมียอายุ24คุณแม่ไม่เชื่อคะ่ะว่าเป็นลูกของคุณตาเพราะคุณตาไม่แข็งแรงดูแลตัวเองก็ไม่ได้ คุณแม่ต้องคอยดูแลแต่พอผู้หญิงอุ้มท้องมาอยู่ด้วยคุณตาก็ลหลงไหลมากรับใช้ผู้หญิงทุกอย่างต่อห้องให้ติดแอร์อย่างดีพอคลอดก็พาไปคลอดที่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายไปร่วมแสนทุกวันนี้ก็เอาเงินเข้าธนาคารให้ผู้หญิงคนนั้นเดือนละหมื่นลูกของหลอนอีกหนึ่งมื่น น้องสาวของคุณแม่ซึ่งเป็นอายการโกรธพ่อมากจะเอาเด็กไปตรวจ DNA แต่ว่าคุณตาไม่ยอมคุณแม่เสียใจมากเพราะดูแลคุณตาอย่างดีแต่คุณตากลับไปหลงไหลเด็กอายุคราวหลานเวลาจะกินอะไรคุณแม่ก็ต้องหามาให้เพราะคุณตาช่วยตัวเองไม่ได้แต่กลายเป็นว่าคุณแม่จัดการเรื่องอาหารการกินให้คุณตา แล้วก็ยังต้องจัดให้เด็กนักร้องและก็ลูกของเธอด้วยคุณแม่เลยเครียดมากเพื่อนหนูก็ต้องคอยดูแลคุณแม่เลยไม่ได้มากับหนูแล้วหนูบอกคุณแม่ของเพื่อนว่าอย่างไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางใจของหญิงสาวหนูก็ปลอบคุณแม่ว่าอย่าคิดอะไรมาก คุณตาอาจจะมีเวรกรรมกับเด็กคนนั้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติจึงต้องมาใช้กรรมกันหมดเวรหมดกรรมเมื่อไรก็เลิกร้างกันไปเองท่านพระครูจึงชมว่าดีมากหนูแนะนําดีมากแต่เชื่อหลวงพ่อไหมหลวงพ่อไม่ใช่หมอดูแต่จะขอทำนายว่าเมื่อหนูกลับเมืองไทยเด็กคนนั้นเขาก็ไปแล้ว ท่านไม่บอกว่าที่ปลายเพราะนาสาวของเพื่อนที่เป็นอายการเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเรื่องจึงลงเอยด้วยดีโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพียงเสียเงินไปสองแสนบาทจ้างหญิงสาวให้พาออกจากชีวิตของบิดาฉันลักเกลียดจริงๆไอ้พวกผู้ชายตันหากรับพวกเนี้ย สตรีอายุราว4 0ิเศษพูดด้วยความเป็นเดือดเป็นแค้นแทนที่เป็นเดือดเป็นแค้นเพราะหล่อนกำลังประสบปัญหาสามีมีเ ม, ม, มีน้อยก่อนมาหล่อนก็ได้จ้างมือปืนให้เก็บสามีด้วยเงินสูงถึงสองแสนบาทเมื่อกลับไปหล่อนก็จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียวส่วนเมียน้อยไม่มีสิทธ์เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส การที่หล่อนมาแสวงบุญในครั้งนี้ไม่ได้มีศรัทธาประสาทะแต่อย่างใดแต่มาเพราะต้องการอำพรางคดีหล่อนจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะสามีตายขณะที่หล่อนมาแสวงบุญตำรวจคงจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาวหรือเป็นการฆ่าเพื่อจิงทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หล่อนมั่นใจว่า เงินสองแสนที่จ่ายไปจะทำให้หล่อนหมดเวรหมดกรรมกับสามีเจ้าชู้ได้ท่านพระครูรู้สึกผิดสังเกตสตรีผู้นี้ไม่เคยพูดหรือซักถามเลยตั้งแต่มาแต่เหตุชไหนครั้งนี้จึงพูดเสียงเกลี้ยวกราดท่านใช้เห็นหนอตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปของสาวใหญ่และรู้ได้ในนาทีนั้น จึงพูดลอยๆโดยไม่มองหน้าหล่อนว่าผู้ชายตันหากรับก็ยังดีกว่าผู้หญิงใจอัมหิจจ้างคนอื่นข่าสามีตัวเองเร่งเงินสองแสนแต่ไม่เป็นไรถ้าเข้าอธิษฐานจิตดีๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆ ค, คุณขออโหสิกรรมจากสามี แล้วก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เรื่องก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีสามีก็จะไม่ตายตัวเองก็จะไม่ถูกตำรวจจับส่วนผู้หญิงที่มาติดพันกับสามีเขาก็จะไปตามทางของเขาสตรีสาวใหญ่เกิดความกลัวความผิดขณะเดียวกันก็กลัวบาปกรรมที่จ้างฆ่าสามีจึงพูดขึ้นว่า ขอบารมีหลวงพ่อช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วยเถอคะค่ะอาตมาช่วยไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเองตามที่อาตมาแนะนำแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีผู้ชายที่จ้างไปฆ่าสามีจะไปชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะพากันหนีไปต่างหลักปักฐานด้วยเงินทุนสองแสนสาธุ สตรีผู้นั้นยกมือประนมท่วมศีรษะขณะที่คณะผู้สแสวงบุญคนอื่นๆไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าใดนัก